วัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปเนื่องจากวันเสาร์นี้เป็นวรโรกาสพิเศษที่ทรงกับวันเฉลิมระชนบรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งถือว่าโอกาสที่มาบรรจบกันในลักษณะนี้มีน้อยครั้ง ตลอดระยะเวลาเจ็ดแปดปีที่มีการบรรยายอบรมปีตึกสวอนนี้ในปีนี้ถือว่าพิเศษคือวันเสาร์ที่สิบสองสิงหาคมก็ทรงกบันเฉลิมประชนชนพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าระบรมราชินีนาฏวันเสาร์ที่ห้าธันวาคมก็มาทรงกันอีกครั้งหนึ่งถือว่าเป็นโอกาสพิเศษจริงๆที่วันเสาร์จะมาเจอกบันเฉลิม บรรดาประชาชนคนไทยทั้งหลายได้สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขาแสดงความจงรักภักดีกันด้วยประการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมักเน้นไปในด้านการยกจ่องสันเสริมพระคุณของพระองค์ที่ประจักษ์แก่ใจตนเองให้ประจักษ์แก่บุคคลเราเองถ้าจะมองกันโดยในยานี้จะเห็นได้ว่า เป็นเช่นเดียวกับการที่พุทธศาสนิกชนยกย่องสันเสริญคุณของพระนตนทรยัยคุณของพระนตนทรัยนั้นมีเต็มเปี่ยมอยู่อย่างนั้นใครจะยกย่องสันเสริญหรือไม่ยกย่องสันเสริญท่านก็มีคุณอยู่อย่างนั้นการสันเสริญจึงไม่ได้เป็นการเพิ่มคุณให้แก่ท่านแต่ประการใดแต่เป็นการเพิ่มคุณให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของผู้สันเสริญเท่านั้นแต่การสันเสริญที่พึงประสงค์จริงๆ ก็คือการน้อมนำเอาคุณธรรมความดีที่มีอยู่ในพระธรรตรายมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเพื่อปฏิบัติตนให้ใกล้ชิดต่อพระตนรตรายมากยิ่งขึ้นการยกย่องสรรเสริญคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีลักษณะเช่นเดียวกันใครจะยกย่องสัรเสริญหรือไม่ยกย่องสเสริญพระคุณก็คงเป็นพระคุณอยู่อย่างนั้นในการยกย่องสรเสริญที่พึงประสงค์จริงๆ จึงน่าจะเป็นการน้อมนำเอาพระคุณที่พระองค์ประพฤติปฏิบัติเป็นหลักในการดำเนินชีวิตจนตามให้พระองค์เสด็จประทับอยู่ภายในดวงจิตของอาณาประชาราัศดรทั้งภายในและภายนอกประเทศได้เป็นนั้นมากนั้นถ้าหากว่าบุคคลได้น้อมนำธรรมะเหล่านั้นมาประพรุทปฏิบัติตามประจำนวยประโยชน์เกื้อกูลให้อย่างแท้จริง และชื่อว่าเป็นการทําตนให้ใกล้ชิดต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างแท้จริงเฉินเดียวกับการปฏิบัติสัมผัสคุณพระตนนตรายแล้วก็ทําให้บุคคลผู้นั้นใกล้ชิดกับพระตันตรายอย่างแท้จริงนั่นเองพระคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นํามายกย่องสันเสริญกันนั้นเป็นนันเดกันนั้นก็พูดกันมาตลอดระยะเวลานานเกิดเป็นเรื่องที่รู้กันอยู่และไปจากแก่ใจของ ประชาชนคนไทยทั้งหลายและแม้แต่ต่างประเทศประหาที่น่าศึกษาน่าพิจารณ า, าก็คือว่าประคุณนิสบัตที่แสดงออกเหล่านั้นประยุตยิด้วยหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในฐานะต่างๆเช่นโทษพิรราชธรรมราชสังฆะจักวัติวัดเป็นต้นซึ่งมีการเผยแพร่กันอยู่มากแล้วและธรรมะที่น่าจะ เพ่งมองไปในจุดนี้ก็คือเรื่องของภาระธรรมซึ่งเป็นธรรมะที่เป็นกำลังของประมากัริย์ผู้ปฏิบัติราชภาระที่ท่านแสดงไว้สองนัยยะด้วยกันนัยยะแรกนั้นเป็นการเจาะจงคือเป็นการเสริมสร้างคุณสมบัติท่านจำแนกออกไปเป็นห้าประการเรียกพาหะภาระหรือกายะภาระ ได้แก่ความมีกําลังกายและสุขภาพพลานามัยแข็งแรงเหมาะสมแก่การทํางานรับผิดชอบเรื่องใหญ่ๆเรื่องสุขภาพพลานามัยนั้นเป็นอุปการะที่มีความสาคัญคนเราแม้จะมีความตั้งใจดีมีตําแหน่งหน้าที่เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจอย่างไรก็ตามแต่ถ้าสุขภาพพลานามัยแย่ม่เหนื่อยให้มันก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้สำเร็จทุล่วงไปได้ ดังนั้นในทางาศาสนาพระเจ้าจึงส่งสันเสริญว่าอรกยาประมาลาภาคือความไม่มีโรคนั้นเป็นลาบอย่างสูงสุดวันท่านที่มีสุขภาพพลานามัยดีว่าจะอยู่ในฐานะใดาก็าตามจะเป็นผู้พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจของตนให้ประสบความสำเร็จความก้าวหน้าไปได้ประการที่สองคือโัวคับพละได้แก่กาลังราชทรัพย์หรือกาลังทรัพย์สมบัติ ที่จะต้องใช้ไปในกิจกรรมเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์ต่อบุคคลทั้งหลายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นกล่าวกันว่าทรงทำสงครามกับความยากไร้ของประชาชนมาตลอดระยะเวล า, กก า, น, น, านั้นจึงจะเป็นจะต้องมีพระราชทรัพย์ทั้งส่วนพระองค์และส่วนที่ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลอื่นเข้าไปช่วยเหลือในกิจการเหล่านั้น การทํางานในลักษณะนี้ทรัพย์จึงเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมสนับสนุนมากแม้เราจะมีความตั้งใจอย่างแรงกล้ายอย่างไรก็ตามแต่ถ้าหากว่าขาดแคลนสิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะช่วยคนอื่นในด้านที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองได้ครวนี้เราจะพบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นได้เสียสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นนั้นมากทรัพย์สินส่วนพระองค์จะเป็นที่ดินที่สวนไรนาเป็นต้น และสายทรัพย์สมบัติที่มีผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระรรีไตรยเป็นนั้นมากเข้าไปต่อสู้กับความยากไรที่มีอยู่ภายในชาติบ้านเมือง <c oughs> ก็ให้ผ่อนคลายบรรเทาเบาบางลงไปได้เป็นนั้นมากประการต่อไปนั้นคื อ, อมัจจพะพลัดได้กำแกรกาลังของอมตคือคนที่ปฏิบัติราชการใกล้ชิดผู้ร่วมกิจกรรมในการทางานเหล่านั้น คนเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะทํางานแต่ลําพังคนเดียวไม่ได้จะต้องมีคนช่วยเหลือสนับสนุนในการงานรับผิดชอบในส่วนต่างๆและกํบบาลังคนเหล่านี้จะต้องเป็นคนที่มีคุณภาพมีพื้นฐานในความคิดจิตใจที่ใกล้เคียงกันในสํานวนในศาสนาจะใช้คําว่าเป็นกันยานมิตรกันจึงจะสามารถปฏิบัติภารกิจเหล่านั้นให้สําเร็จร่รวมไปได้ไม่ว่าจะเป็นส่วนใหญ่หรือส่วนย่อยก็ตาม และการต่อไปท่านใช้คาว่าอภิัจรัภะคือกำลังได้แก่การเกิดอยู่ในสกุลสูงมีฐานศรัทธายอมรับอยู่ข้างล่างเป็นการยอมรับ ร, มรวมๆแล้วก็ยอมยอมรับโดยเจาะจงก็มีฐานเกิดขึ้นหลายฐานและได้มีการพัฒนาฝึกปลือตนเองพัฒนาตนเองในด้านต่างๆมาโดยลาดับ จนสร้างสภาพยอมรับนับถือให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเป็นั้นมากการปฏิบัติภารกิจต่างๆก็จะสเปดรุ่ร่วงไปได้ดยดีและจะอยู่ในฐานะที่เป็นปูชนียบุคคลของสังคมได้มากยิ่งขึ้นโดยลำดับแต่ในที่สุดก็มารวมอยู่ที่ปัญญาภะเกี่กําลังคือปัญญาได้แก่ความรอบรู้ในกิจการต่างๆ ซึ่งธรรมะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็มากเป็นจุดเริ่มต้นก็คือหลักของโยนิโสมนสิการคือการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาสิ่งต่างๆโดยเหตุดยผลโดยวานจับขายมีขั้นตอนเงื่อนไขกฎเกณฑ์ในการพินิจพิจารณาไม่ได้มองปัญหาในลักษณะแคบๆหรือมองเป็นจุดใดจุดหนึ่งเพราะบางครั้งการแก้ปัญหานั้น แต่ก็มองเพียงมุมใดมุมหนึ่งอาจจะเป็นการสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นกว่าการแก้ปัญหาด้วยทำไปเรื่องปัญญาจึงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในการดํารงชีวิตทุกขั้นตอนของการดํารงชีวิตซึ่งพระเจ้าทรงยกจ้องว่าชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญานั้นเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสุดยอดของมนุษย์ก็คือคนที่มีปัญญาสมบูรณ์ พระพุทธเจ้านั้นชื่อว่าเข้าถึงจุดสุดยอดจริงๆก็เพราะความมีปัญญาเครื่องแต่สรู้ที่สามารถทำอาศวะกกิเลสได้หมดไปได้อย่างสิ้นเชิงนั่นเองพระธรรมเหล่านี้ถือว่าเป็นอุปการธรรมในการที่จะให้พระหมหากษัตริย์รงใดก็ตามดำรงอยู่ในฐานะตำแหน่งที่จะเกือ้อกูลต่อนาประชาราษฎรภายในชาติปันจุบัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงสมบูรณ์ด้วยพระรธรรมเหล่านี้ทั้งในส่วนที่เป็นพระวรากายและส่วนที่เป็นคุณธรรมตลอดจนส่วนที่เป็นภพกสัติแต่ถ้าจริงข้อนี้จะพบว่าแม้คนจะได้มาถูกต้องสมบูรณ์อย่างไรก็ตามในสีข้อแรกแต่ถ้าหากขาดปรญญาเป็นหลักในการพิพพจารณาเลือกเฟ้นการ การพปฏิบัติได้ถูกต้องเหมาะสมสิ่งเหล่านั้นก็จะไม่ถูกใช้ไปในลักษณะที่เป็นประโยชน์อย่างถูกต้องสมบูรณ์หรือบางครั้งก็อาจจะถูกใช้ไปในทางที่ไม่ดีก็ได้หลักปัญญาจึงถือว่าเป็นหลักที่มีความสําคัญมากแต่นั้นภาร ะ, ะอีกข้อหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งที่จริงธรรมะคือภาร ะ, ะนั้นทรงแสดงไว้หลายหมวดด้วยกัน ในหมวดเดนต้องถือว่าเป็นธรรมะปฏิบัติสาหรับผู้เป็นพระมหากษัตริย์คือกําหนดมาตรฐานเบื้องสูงเรื่องของธรรมะนั้นที่จริงก็มีความเป็นสากลคนศึกษาปฏิบัติธรรมะบางครั้งก็จะติดในรูปแบบของการปฏิบัติเข้าใจว่าธรรมะเหล่านั้นสมหรับคนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ที่จริงธรรมะนั้นมีความเป็นสากลอยู่ในธรรมะเดียนั้น เพียงแต่ปริมาณของความเข้มข้นของการปฏิบัติธรรมะจะต้องเพิ่มขึ้นตามสัสดส่วนภารากิจความรับผิดชอบของบุคคลเหล่านั้นเท่านั้นเองยกตัวอย่างเช่นศีลศีลในข้อข้อใดก็ตามยกตัวอย่างมาศีลข้อปานาทิบาตก็คือปานาทิบาตของพุทธบริษัททุกหมู่เหล่านั้นเอง แต่ปาณฏิบัติที่เป็นทั่วๆไปสำหรับคนที่อยู่นอกศาสนาก็อาจะถือว่าฆ่าสัตว์ฟังอย่างได้ฆ่าสัตว์ฟังอย่างไม่ได้ฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์ไม่ได้ฆ่าสัตว์ทีสารได้หรือฆ่าสัตว์มีคุณไม่ได้ฆ่าสัตว์ทั่วไปได้เป็นต้นแต่พอมาถึงพระพุทธศาสนาก็แสดงว่าการฆ่าสัตว์ทุกชนิดเป็นบาปตัวในชั้นของการประนีตขึ้นไปเราจะาพบ ว, ว่าระดับศีลห้ามันก็เป็นชั้นหนึ่ง ระดับศีลแปดศีลอุโบสถก็เป็นอีกชั้นหนึ่งระดับศีลสิบก็เป็นอีกชั้นหนึ่งระดับศีลสองรอยยสิบเจ็ดก็เป็นอีกชั้นหนึ่งแต่เราจะพบว่าชาวบ้านสมาทานอุโบสถไปแล้วก็ดื่มน้ําที่ไม่ต้องกรองก็ได้แต่สําหรับพระต้องกรองก่อนชาวบ้านรักษาศีลห้าศีลแปดสามเณรรักษาศีลสิบ นางสิกะมนารักษัสินหกนางสิกะมนารักษาศีลสิบ ส, ส, ส, สามารถที่จะตัดต้นไม้ตัดกิ่งไม้ดอกไม้ได้แต่พระกลับตัดไม่ได้นี่ก็แสดงเห็นว่าก็ศีลข้อประนานที่บาตรนั่นเองแต่มันมีความประนีตขึ้นเท่านั้นศีลก็คงเป็นศีลอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นธรรมะที่ท่านแสดงไว้ในที่ต่างๆเรียกว่าราชจะทำบ้างเรียกว่าคารวัสจะทำบ้างเรียกว่า สมณธรรมบ้างอะไรเนี่ยเ ก, แ ก, แกือบๆก็เจาะคนแต่แท้จริงไม่ใช่เจาะคนเป็นการกําหนดระดับมาตรฐานขั้นสูงเอาไว้ตามฐานะของบุคคลเหล่าดังนั้นพระธรรมอีกข้าพระการที่ท่านแสดงมาตรฐานอย่างสูงเอาไว้ในระดับโลกก็คือเป็นธรรมะของพระมหากษัตริย์นั่นประการแรกก็คือปัญญาภละเช่นเดียวกันคนนี้ผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะจะสังเกตยอย่างเด่นว่า ตามปกติแล้วถ้าไม่ใช่เรื่องสำคัญจะไม่เอาปัญญาไปไว้ข้างหน้าแต่ถ้ามีเรื่องสำคัญแล้วจะต้องเอาปัญญาไปไว้ข้างหน้าเสมอเช่นอริยมรรคมัยองแปดอริยมรรคมัยองแปดเอาสมาทิคือปัญญาไว้ข้างหน้าอธิฐานในธรรมธรรมะที่บุคคลจะต้องตั้งไว้เป็นฐานใจให้มั่นคง เอาปัญญาไว้ขา้างหน้าที่ทรงแสดงไว้ว่าปัญญานับประมัติเคยะอย่าประมาทในการใช้ปัญญาสัจมนุรักเคยะให้ตามรักษาสัจจะจาระมโนพลูเคยะให้เพิ่มพูนจาคะคือความเสียสละสันติเมวัสุสิกเคยะพึงพ่อพูนทางแห่งสันติคือทางแห่งความสงบทําไมจึงเอาปัญญาไปไว้ขา้างหน้า เพราะว่าในตอนต่อไปนั้นเราจะต้องใช้สัจจะแล้วก็มีจากขะมีความสงบแต่ว่าสิ่งที่เราตั้งสัจจะนั้นอาจจะผิดก็ได้อาจจะถูกก็ได้ถ้าขาดการใช้ปัญญาปีนีพิจารณาเพราะก็ต้องใช้ปัญญาสอดส่องพิจารณาซะก่อนจึงไปตั้งสัจจะทีหลังไม่จะไปตั้งสัจจะในทางผิดๆอย่างสัจจะของพวกโจรตกลงนัดหมายกันแล้วจะต้องปล้นให้ได้จะต้องฆ่าให้ได้ กเขาก็เป็นสัจจะเขาเหมือนกันแต่เป็นสัจจะในทางที่ผิดแต่นั้นท่านจริงเอาปัญญาเป็นนำไว่ก็ต้องใช้ปัญญาสอดส่องเสียก่อนพรรธรรมก็มีลักษณะอย่างนั้นเฉพาะในข้อ น, นี้จะเห็นว่าทรงสแสดงปัญญาไว้ข้างตนเรียกว่าปัญญาภะละกาลังคือปัญญาที่จะเกิดขึ้นด้วยการศึกษาการพินิจพิจารณาการลงมือประพฤติปฏิบัติ จนสามารถแยกออกได้อย่างเด่นชัดระหว่างทางแห่งความเสื่อมกับทางแห่งความเจริญและมี่อบายยุิธีที่จะหลีกหนีทางเสื่อมมาดำเนินชีวิตในทางเจริญได้ปัญญาที่เกิดขึ้นจะทำหน้าที่ขจัดโมหะคือความหลงความเข่าในเรื่องต่างๆให้ออกไปได้โดยดํางดัจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการวินิจฉัยตัดสินปนัญหาต่างๆ เป็นแสงสว่างในการดาเนินชีวิตของบุคคลแระการต่อไปคือวิริยะภัลคกังมังคือความเพียรพยานในการปฏิบัติภารากิจการงานต่างๆตามสมควรแก่สถานะของตนจะในโครงสร้างของการประพฤติปฏิบัติท่านแสดงการใช้ความเพียรออกไปในสีทิศทางด้วยกัน คือความเพียนในการป้องกันความเพียนในการบำบัดความเพียนในการบำรุงความเพียนในการรักษาจนผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะจะเห็นได้อย่างเด่นชัดว่าแม้แต่การบริหารชาติบ้านเมืองบุคคลก็ต้องใช้ความเพียนในสี่สถานะนั่นเองคือความเพียนในการป้องกันสิ่งที่เป็นอุปสรรคอันตรายต่างๆซึ่งยังไม่เกิดขึ้นมาให้บังเกิดขึ้น ความเพียรในการบำบัดคือการขาจัดปัดเป่าสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นภัยเป็นอันตรายต่างๆซึ่งเกิดขึ้นแล้วให้ออกไปเพียรในการบำรุงคือการน้อมนําสิ่งที่ดีงามเข้าไปไว้ภายในชีวิตจนถึงภายในชาติบ้านเมืองและเพียรพยายามรักษาคือการรักษาคุณธรรมความดีสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์เอาไว้ให้ดํารงคงอยู่และเพิ่มพูนต่อไป แต่ความเพียรพยายามนั้นจะต้องออกมาในลักษณะหนึ่งเรียกว่าอนนวัตชัพะได้แก่กำลังคือการกระทําในลักษณะที่ไม่มีโทษจึงแน่นอนการวิเคราะห์วินิจฉัยตัดสินว่าสิ่งนั้นจะมีโทษหรือไม่มีโทษนั้นจะต้องใช้ปัญญาสอดส่องให้ชัดเจนเสียก่อนจึงจะลงมือใช้ความเพียรพยายามลงไป เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนั้นตามปกติก็จะมาปนปนกันอยู่เหมนกับผลไม้ผลหนึ่งมีทั้งใช้ประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็กินได้กินไม่ได้และบางอย่างผลไม้บางอย่างส่วนหนึ่งเป็นพิษส่วนหนึ่งรับประทานได้เป็นต้นซึ่งก็หมายความว่าจะต้องมีการวิเคราะห์สอดส่องมองให้ชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรในเรื่องเหล่านั้น เป็นการมองสิ่งนั้นทั้งกระบวนการของมันเรียกว่าอย่างอย่างได้ลึกศึกได้รอบด้านของปัญหาเหล่านั้นแล้สุดก็ลงมือกระทําลงไปแต่ในชั้นการใช้ปัญญาวิเคราะห์วินิจฉัยนั้นในจุดเริ่มต้นท่านให้มองที่การกระทํานั้นเบียดเบียนตนเอง เ, เ, เบียดเบียนบุคคลอื่นหรือไม่ แต่การมองคนอื่นนั้นไม่ได้มองในจุดแคบๆคือจะมองไกลออกไปมากๆเรียกว่าเป็นการมองอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมในอนาคตด้วยคือไม่ใช่มองเฉพาะในปัจจุบันการใช้ปัญญาสดสองพิจารณาถึงคุณถึงโทษในลักษณะนี้ปริมาณปัญญาจะต้องเพิ่มขึ้นใน ฐานะนั้นๆในสิ่งนั้นๆที่จะต้องมีการศึกษาข้อมูลในด้านต่างๆมีการประเมินผลมีการสรุปผลอย่างที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันและสามารถจะมองลึกซึ้งลงไปถึงจุดหนึ่งพราะบางอย่างคนอื่นไม่เดือดร้อนหรอกแต่ว่าตัวเองเดือดร้อนก็มองที่ความคิดที่การกระทา ต่อถึงคำพูดของตนว่าจะนำความเดือดร้อนมาสู่ตนหรือไม่แต่ตามปกติแล้วถ้าออกมาทางกายทางวาจาถ้าไม่ดีก็จะเดือดร้อนทั้งตนเองและบุคคลอื่นแล้วก็มองในชั้นของความคิดเพราะความคิดบางอย่างนั้นเป็นการเบียดเบียนตนเองทำลายสุขภาพจิตของตนเองให้เดือดร้อนเชนจิตที่ตกอยู่ภายใต้อานาจของนิวรณ์ทั้งห้าประการ ซึ่งพระเจ้าทรงสอนให้สงบประงับด้วยหลักของสมถกรรมฐานนั้นพึงสังเกตว่านิวรณ์แต่ละข้อนั้นสร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลผู้ถูกนิวรณครอบงำโดยเฉพาะเพราะเป็นเรื่องของภายในจิตใจไม่ใช่เรื่องข้างนอกคนอื่นไม่เดือดร้อนกับเราโดยตรงแต่อาจจะเดือดร้อนประรุษรู้สึ ก, ก่วงใยในฐานะเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนฝูงกัน จึงผิดกับการกระทำทางกายทางวาจาไม่เป็นการเดือดร้อนตรงแต่นั้นก็มองถึงความคิดบางอย่างถ้าจะเป็นไปเพื่อความเดือดร้อนหรือเบียดเบียนตนเองบีดเบียนเบีดเบียนตนเองให้เดือดร้อนก็ส ง, งบความคิดตรง น, นั้นลงไปแต่แนวภาษานานั้นจะมองไกลไปจนถึงสังสารวัฏอย่างที่ ท, ทราบกันแต่แม้บางอย่างเราก็มองไม่เห็นว่ามันจะเป็นโทษอะไร และเป็นความทุกข์ในสังสาระท่านก็ให้มองเห็นโทษในเรื่องเหล่านั้นชัดเจนแต่ในการปฏิบัติภารกิจการงานตามสมควรแก่ฐานะนั้นจะในกรณีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูุ่ัวซึ่งมีคนได้รับใช้ใกล้ชิดของท่านมองเห็นว่าหลักการสําคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าจุฬานั้นก็คือหลักของยุติธรรม ที่จะพยายามพิทักษ์รักษาธรรมปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องในต่ยะยาวนั้นประการที่สองคือขันติธรรมความอดกลั้นอดทนในกิจการงานต่างๆไม่กำนึงถึงความเหนื่อยยากลาบากและบางครั้งดูแลไม่น่าจะทนได้แต่ว่าก็ส่งทนได้อีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของการพยายามที่จะบาบัดความทุกข์ คือสงเคราะห์นุเคราะห์บุคคลอื่นขาจัดความทุกข์ที่มีอยู่แก่บุคคลอื่นให้เบาบางลงไปขาวนี้จะเห็นว่าเป็นการกระทําที่ปราศจากโทษคือไม่ไม่มีโทษด้วยกันทั้งนั้นแต่เป็นประโยชน์เกื้อกูลทั้งแก่ส่วนตรงเองและส่วนของอาาประชารารัษน์แต่กาปรปกคุมมาถึงจุดนี้ก็ให้ออกมาในจุดหนึ่งที่เรียกว่าสังขหาภละคือกาลังือการสงเคราะห์ กำลังของการสงเคราะห์จะเกิดขึ้นได้นั้นจะต้องขจัดความเห็นแก่ตัวออกไปภาษาใดที่ใจของบุคคลยังประรบตนเองพวกของตนเองความสะดวกสบายของตนเองการสงเคราะห์ด้วยความจริงใจก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เพรา ะ, ะธรรมะปฏิบัติที่ทรงแสดงจังทรงเริ่มมาจากปัญญาที่จะต้องขจัดโมหะออกไปเสียก่อน และแสดงวิริยะซึ่งจะต้องขจัดความเกลียดคร้านความเหนื่อยหน่ายความมายาสาไถให้ออกไปและปัญญาจะควบคุมกํากับในการกระทําในการบําเพ็ญเพื่อไม่มีโทษแต่มาเน้นที่สังขาะสังขารคือการสงเคราะห์นั้นที่จริงมีอยู่สองระดับระดับหนึ่งจเรียกว่าอามิ t h สังขหะคือการสงเคราะห์โดยวัตถุสิ่งของ ซึ่งอยู่ในฐานะวิสัยที่ตนจะสงเคราะห์ได้และธรรมสังกะะคือการสงเคราะห์โดยธรรมได้แก่การประพฤติปฏิบัติธรรมต่อบุคคลผู้นั้นตามสมควรแก่ฐานะที่เกี่ยวข้องกันและการโ อ, โอวาทอนุศาสตร์สั่งสอนชี้แจงแสดงเหตุผลต่างๆแก่บุคคลเหล่านั้นจะปรรมราชวาสในโอกาสต่างๆเปน็นต้นพวกพระัธรรมในกลุ่มธรรมเหล่านี้จะเห็นได้ว่าพอมาถึงสังกหะ สังกาธรรมก็ออกมาในรูปของสังขาวัตุทั้ง4ี่ประการซึ่งมีทั้งส่วนของอมิตรและมีทั้งส่วนของธรรมในส่วนของอมิตรก็คือทานที่เป็นการสมเกลื์ในวัตถุสิ่งของในส่วนของธรรมก็คือปิยวาจาการเจรจาวยถ้อยคำที่ไพเราะ อ, อ่อนหวานมีความเมตตาอนุเคราะห์ต่อบุคคลนั้นอัตรจริยาประพฤติตนวางตน กระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นมากและสมาณแต่ตาวางตนได้ดีสม่ำเสมอเหมาะสมไม่ถือตัวไม่สูงเกินไปซึ่งก้อนนี้จะเห็นได้ว่าเนื้อกายเป็นหลักสากลที่ครอบคลุมเนื้อหาการปฏิบัติของบุคคลทั้งหลายเอาไว้แลงการที่บุคคลมีจิตสำนึกถึง คุณธรรมความดีของพระบาทสมเด็จพระ เ, ระเจ้ขขาจุหัวต้องการที่จะแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีก็าจะน้อมนำธรรมะเหล่านี้มาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติซึ่งเมื่อทำไปแล้วมันจะได้ประโยชน์เกื้อกูลเป็นเัิมากในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนไปชื่อว่าบูชาต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยการบูชาอย่างจริง ในฐานะเป็นประสบกริกรภายในชาติก็ชื่อว่าเป็นการแสดงความจงรักภักดีที่ถูกต้องที่สุดในฐานะที่เป็นมนุษยชาติก็จะมีโอกา ส, กาสปฏิบัติฝึกขัดพัฒนาน จ, จิตใจตนเองให้สูงขึ้นและสัพพัสธรรมลึกซึ้งมากจริงขึ้นแม้ก็ยังเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏก็สามารถตกแต่งพบชาติของตนในประณีตขึ้น แต่โดยเฉพาะ อ, อย่างจริงก็คุณภาพของจิตที่พร ะ, ะธรรมเหล่านั้นเมื่อมีกำลังสูงขึ้นจะทำหน้าที่กระจัดบาบัิที่ท่านใช้คำว่าปฏิปักธรรมคือธรรมะฝ่ายตรงกันข้ามหรือไปได้แก่พวกกิเลสทั้งหลายให้เจจางบาบางลงไปได้โดยลำดับก็จะคุ้มครองป้องการรักษาบุคคลเหล่านั้นเอาไว้ เราจะมองโดยสรุปจากปรมบรมราชองค์การที่ส่งประกาศไว้ว่าเราจกปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแข่งมาชนชาวสยามซึ่งข้อ น, นี้จะเห็นว่าเป็นพระบรมราชองค์การที่มองถึงประเทศทั้งประเทศเจ้นาคนครทั้งนครแต่แท้จริงแล้ว ชีวิตของบุคคลนั้นก็คือนอักรนอนครอหนึ่งนั่นเองอย่างที่พระเจ้าทรงใช้คำว่ากายนาครแต่แก่นครคือกายที่มีส่วนประกอบต่างๆอย่างที่ทราบกันดังนั้นได้ทรงสอนให้บุคคลมองชีวิตเหมือนกับ น, นครซึ่งจะต้องมีค่าศัตรูมารุกรานรบ ก, กวน มีการบอดทำลายความมั่นคงภายในแต่นั้นจะต้องพยายามต่อสู้กับศัตรูที่ทรงใช้ในที่นี้ก็คือมานด้วยวุธคือปัญญาซึ่งเมื่อการโดยสรุปก็คือพยายามใช้ปัญญาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตซึ่งไม่ว่าจะสำนึกถึงคุณความดีของใครก็ตาม ถับุคุณพยายามเพิ่มภูมปัญญาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้ก็จะได้ชื่อว่าเป็นการบูชาต่อพระพุทธเจ้าต่อพระเจ้าอยู่หัวหรือต่อธรรมะอย่างแท้จริงและเป็นการปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อคูณแก่ตนและคนอื่นตลอดกาลยาวนานต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทาความสงบสืบต่อไป